พุทธคุณห้อิโทโฮสะพันยุตายนานังอิชันโตอาสวะขยังอิทางดา ม, มังอนุปัโตอิทิมันตังนามามิหังติโนโยวะตะดุคำหาตินังโลกะนโมตะโม ο, ติโสภูมิงติกันโตตินาโอคังนามามิหัง ปิโยเดวามนุสย์นั่งพิโยพระมหานมุตโมปิ่โอนาคาสุปันนั่งพี่อินเรียงนมามิหังโซกาวิราตจิตโตโยโซพมาโนสาเดวเกโซกาปเตบโมเทนโตโซบวันนั่งนมามิหัง ภาชิตตาเยนะสะธรรมาภาคาปาเปนะตาทินาพยาสะเตมหาเซนโตพยาสันตังนามามิหังขามิโตเยนะสะธรรมโมคามาปิโตสเทวังขาชมาโนสิวังธรามังคาตาธรรมังนมามิหัง วานานิขมิโยตันหาว่าจังภาสติอุตมมังวานานิภาปัมมัดปนัทายาวายมันตังนามิหังอนณาสาสกัสตานังอาสาสังเทติโยชิโนอาณาตาคุณสัมปันโน อันตะคามิงนมามิหังรโตนิพพานสัมปเตรโตโยสัตตะโมจเนรมาเปติทัสเตโยระนาจตังนมามิหังหันญติปาปเกตธรรมเหังสาเปติปรังฉะนัง หังสมานังมหาวิรังหันตปาปังนมามิหังสังคตาสังคเตธรรมสามาเทศสิปานินางสังสารังสังวิคเตตีสามพูทันตังนมามิหังมาตาวาปริโตสัเตมาณธาเถปมาทิโต มานิโตเทวาสังเคหีมานัสคาตังนามิหังสันเจยังปารมีสัมมาสันติตวะสุขมาตโนสังคารานังขยังเทตวะสันตกามิงสันตากามิงนมามิหังผุ้ชิตตวะจตุสัจญานี พุชชาเปตีมหาชนางังพุชชาเป็นตังสิวังมาขังพุทธเสทังนามามิหังโทติราเคจจะโทเสจาโทติมโมเหจะปานิหนงังโทตาเกระสังมหาปัญญงังโทตาสวังนามามิหัง วิเวเจติอาศัตมาวิจิตวาธรมมเทศนาวิเวเกติตจิตโตโยวิทิตันตังนมามิหังชาติธรมโมชราธรมโมชาติอันโตปกาสิโตชาติเศรษฐนะพุทเธนา ชาติมูตังนมามิหังจะเยติปุญญาสัมบารีจะเยติสุขสัมปทางจะชันตังปาปกรรมานีจะชาเป็นตังนมามิหังรับรามิตังเยนันิพานังรักขิตาโรคสัมปทา ราชาโทสากิเรศเหหิหรตันตังนมามิหังนามิโตเยวะเยวะพรเมหินราเทเวหิสัพพธานทันโตสีหนาทังโย นาทานตังนมามิหังสังขาริติวิเทโรฎะสัญชาติติอเิจโตสัมานิพานสัมปติสำปนโนตังนมามิหังปกโตโพธิสัมภะเรปะสันโทโยสะเทวเกปัญญาอสโมโหติปะสันนังตังนมามิหัง โนเทตินิระยังขันตังโนจะปาปังอาการยีโนจะโมอธิปัญญาโนนัรมังนามิหังสุนทโรวรวารรูเปนาสุสโรธรรมภาสเนสุทุ ทสังทิสาเปตีสุขตันตังนมามิหังขาชันโตโรกิยาธรมมังขาชันโตอมตังปะทังขาโตโสสะตโมเจเจตังขตัญญาณังนมามิหังโตเซนโตวรธรมเมนาโตสัฏฐานิสิเววะเรโตสังอากาสิชันโตนาง ต่อรจิจตังนา ม, ามิหังโลเพชะหัติสัมพุทโโลกเซโทคุณากโรโลเพสโตชาเปหิโลภสันตังนา ม, ามิหัง กันโตโยสภัสตางกตวาทุกข์ขยังชิโนกะเทนโตมาทุรังธรรมังกะทาสันหังนามามิหังวินโยโสปกาเสติวิตทังสตวะทโยภเววิเศสัญญาณสัมปโนเวปสันหังนามามิหัง ทูเสสะเตปหาเซนโตโทูราธานปกาสิตทุรังนิพานะคาขมะทูระสันตังนมามิหังอันตังชาติชราทินังอากาสีทีปขุตตโมอเนกุสาหจิตเนาอัสสะเซนาตังนมามิหังนุเทติราคจิตานี นุทาเปตีปรังชะนังนุนาอัถังมนุสานังนุสาสันตังนามามิหัง